กราบขอบการอาจารย์มณัชนนชัยครับก็ขอการพวกเราเพื่อนสาธมิกเจริญพรแม่ชีเนาะแล้วก็พวกเรานักเรียนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายอพวกเราก็นักเรียนก็อยู่กันมาหลายวันเนาะปฏิบัติธรรมกันมาหลายวันสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ค่อยเห็นก็คือไม่ค่อยเห็นรอยยิ้มอ่ะ ยิ้มให้หลวงพ่อดูหน่อยหนึ่งเราลองเราเวลาที่เรายิ้มนะครับยิ้มทันนี้นะครับเราลองสังเกตไปที่ใจเราใจเรายิ้มทั่งปากเรายิ้มหรือเปล่า mm. รู้สึกได้ไหมถ้าเกิดว่าใครเนาะลองสังเกตแล้วก็เห็นว่าใจ มันยิ้มไม่เท่ากับปากเรายิ้มอ่ะเรากลับมารู้สึกที่ปากเราอีกครั้งหนึ่งอ่ะปากเรามันจะมีการขยับ <c oughs> มีไหมมีการขยับตาม <c oughs> พอปากเรามีการขยับตามกลับไปดูที่ใจเราอีกครั้งหนึ่งใจเรามันก็จะ ม, มีความก็ เ, เรียกว่ามีความตื่นความเบิกบานขึ้นมาอีกทีหนึ่ง <c oughs> เป็นไหม ความรู้สึกตัวเป็นแบบนี้เนาะคือเรารู้สึกลงไปที่กายก็ได้รู้สึกลงไปที่ใจก็ได้รู้สึกตอนไหนนะครับเราก็รู้ความจริงตอนนั้นรู้สึกลงไปที่ไหนเราก็รู้ความจริงตอนนั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่ยากไม่ยากนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับนะครับแต่ว่าพอเวลาที่เราเห็นแบบนี้เนี่ยพอเราเห็นเนาะอย่างเรื่องของการยิ้มอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ เราจะเห็นว่าพอเวลาที่เนาะเราได้สังเกตเห็นอา้าททำไมกายเราก็ยิ้มอย่างหนึ่งทำไมใจเราก็ยิ้มอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาตามมาก็คือใจมันจะยิ้มมากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นเนาะว่าเออนี่ยไอ้ที่มันยิ้มมากขึ้นเนี่ยว่ามันตื่นเนาะมันตื่นและมันเบิกบานตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเราเนาะถ้าเกิดมา เราไ ด, นะเได้คอยสังเกตได้คอยสังเกตเห็นความเป็นไปของกายเราเห็นความเป็นไปของใจเราผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าเรากําลังหัดรู้สึกตัวเนี่ยตรงเนี้ยครับเราจะเห็นก็เรียกว่าเราจะเห็นเรื่องราวต่างๆเนาะที่เกิดขึ้นเนาะในกายในใจเราที่เราไม่ค่อยได้เห็นจะจะไม่ค่อยได้เห็นจะจะตาแบบนี้เนาะแล้วพอเราเห็นแบบนี้เนี่ย มันจะมีสิ่งที่ขึ้นอว่าจิตใจที่ตื่นที่เบิกบานเนี่ยเกิดขึ้นเนาะตรงนี้คือสิ่งที่พุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้เหมือนกับว่าให้เนาะให้ธรรมะเอาไว้ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นเครื่องที่จะให้เราได้ตื่นได้รู้ได้เบิกบานอย่างเมื่อกี้พระอาจารย์พ น, นันชัยพาสวดนะครับบทเขาเรียกว่าบทธาตุปัจเจกเนาะ บททานปั จ, จเจบกเนี่ยเป็นบทที่นุมาว่าพวกเราเองก็คงคงเคยสังเกตเนาะเสื้อผ้าใหม่ๆเนาะที่อยู่ในห่อสวยๆนี่นเนาะพอเวลาเราแกะออกดูปุ๊บเนี่ยจะพับเข้าคืนเดิมนี่ไม่ได้ละ <c oughs> เคยสังเกตกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าเอาเสื้อผ้าใหม่ๆมาใส่นะยิ่งหน้านี้นะครับเปียกเหงื่อเปียกใครเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะ พระพุทธเจ้าบอกว่าครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วเนี่ยย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเนาะนะเราลองสังเกตดูหรือว่าถ้าไม่งั้นเราสังเกตจากอาหารก็ได้นะอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนะต่อให้เป็นอาหารที่ดิบดีแค่ไหนก็ตามหรือประดิบปรดอสวยแค่ไหนก็ตามเนี่ยอย่างขนมเค้กเนาะพอเราเริ่มตัดนะครับ ไอ้ที่สวยๆก็เริ่มเละแล้วพอเราเริ่มตักใช่ไหมครับเอาช้อนตักข้าวไอ้ที่เละอยู่เมื่อกี้ก็ยิ่งเละหนักก็ไปอีกอย่างเงี้เนาะอย่างนั้นะพอเข้าปากเคี้ยวเกิดคายออกมาดูมนะัไม่เหลือรูปนะครับอย่างนั้นและยิ่งกว่านั้นเนาะไม่ว่าอาหารที่แพงแค่ไหนก็ตามบรรลุนขึ้นเนี่ย24ชั่วโมงผ่านไปเนาะมันก็เป็นอีกรูปนึงละอย่างเงี้ยอันเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ยืนยันเนาะ คลั้นมาถูกเข้ากับอายการเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วเนี่ยย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่เ็าเรียกว่าพระธรรมเนาะพระธรรมที่พระเจ้าเนี่ยให้เอาไว้นั้น่นคือตรงเนี้ยครับมันเป็นสิ่งที่พระเจ้านะครับเป็นเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากทั่วโลกเนาะด้วยเหตุนี้เนาะด้วยการที่พระองค์เนี่ยแสดงธรรมละธรรมของท่านเนี่ยเป็นจริง เป็นจริงก็ยังไม่พอนะยังปฏิบัติได้ด้วยเนาะแล้วก็ไม่จำกัดด้วยว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วก็ให้ผลได้ด้วยนั่นคือตรงเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่เวลาที่เราเนาะพวกเราหลายคนอาจจะเคยไปที่อินเดียเนาะเราจะเห็นว่าที่พุทธคยานะครับที่ตรงที่ตรงพุทธคยาที่ตรงลมโพเนี่ย ที่พระพุทธเจ้าตรัสโล้เนี่ยจะมีคนเข้าไปเนี่ยเหมือนกับว่าเข้าไปสักการะเนาะเข้าไปกราบระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นๆคนใช่ไหมครับอย่างนั้นในขณะที่ที่อื่นนะไม่ไม่ฮิตเท่านะจะเป็นสารนาที่ปรถมเทศนาจะเป็นที่อื่นๆอเงี่ยก็มีหิตเท่าแต่ว่าจุดที่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าพบนะความจริงนะครับ หรือเราเรียกว่าธรรมะเนี่ยนะครับนะครับพบความจริงนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของตัวเรานะครับของตัวเราที่เราเนี่ยก็เรียกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยทราบหรือว่าพอเวลาที่ได้ยินนะเราก็อาจจะมีการตอบต้านอาทิเช่นนะครับบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ ต้องต้องมีการคัดค้านอยู่ในใจแล้วนะก็มันอยู่กับเรามานะเป็นตัวเป็นต้นกับเรามาตลอดอย่างนี้จะมันจะไม่ใช่ของเราได้ยังไงถ้าเกิดว่าใครชอบนะใครชอบถ่ายรูปที่เขาเรียกมาเซลฟี่นะลองเอารูปมาดูสิครับลองเอารูปมาดูมุมที่เปลี่ยนไปนะเราก็ต่างไปแล้วนะครับบางมุมเนี่ยอาจจะ คัดค้านอึงขนึงมันนี้ไม่ใช่เราแน่นอนนะยอมรับไม่ได้นั้นนก็คือตรงเนี้ยนะครับว่าเราลองเราลองดูนะครับเราลองลองดูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเอารูปภาพเนี่ยเดือนที่แล้วมาดูเดือนก่อนมาดูปีก่อนมาดูเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เราเองเนี่ยเราไม่สามารถห้ามได้นะครับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ละ่ะ ที่พระพุทธเจ้ายืนยันมาถ้าเป็นของเราจริงเนี่ยนะครับเราต้องจัดการเรื่องราวพวกนี้ได้ต้องให้มันคงอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนี้หรืออะไรต่างๆนานาใช่ไหมครับอย่างนั้นพวกเราเด็กๆน้อนบางคนอาจจะใช้เวลากับการหวีผมเนาะนานมากๆเลยผมมันไม่เชื่อเรานะครับใช่ไหมครับ บีม like <ff> to er ันอยู่นั่นแหละมันไม่ยอมอยู่กับที่ที่เราต้องการนะครับอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องเสียเวลากับมันอยู่ใช่ไหมครับอยากจะให้มันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ยอมอยู่อยากจะให้มันอยู่อย่างนี้ก็ไม่ยอมอยู่นะครับอย่างนั้นมันเป็นทุกข์ครับมันทนไม่ได้ที่มันจะอยู่ตามที่เราต้องการถึงแม้จะฉีดสเปรย์ก็ตามจะอะไรยังไงก็ตามเป็นไปไม่ได้แล้วก็ทำนองเดียวกันนะครับเราตัดแต่งเอาไว้ใช่ไหมครับวันนี้เนี่ย ตีอีกสองสามันก็เปลี่ยนไปอีกแล้วความสั้นยาวที่กําลังพอเหมาะอยู่เนาะอนี้อะไรต่างๆนาน า, นาใช่ไหมครับความไม่เที่ยงตรงนี้เนี่ยมันก็แสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ต่างหากที่มามันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่าเราเนาะได้เอาสิ่งต่างๆเนี่ยที่เป็นคําสอนของบุติชาเนี่ยมาลองเทียบเคียงกับชีวิตประจําวันของเรานะครับมาลองสังเกตเนี่ย เพราะว่าเรานะครับอย่างสมมติการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะบอกกันว่าอืมเราลองสังเกตความเป็นไปของกายของใจเรานี่ละอย่างเงี้ยซึ่งเราจะไม่เคยสังเกตมาก่อนนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับเราอาจจะเกี่ยวข้องกับกายกับใจเราด้วยความชอบความชังเนาะใช่ไหมครับชอบก็ใช่ไหมครับชอบก็ก็เรียกว่าชอบก็อยากให้มันอยู่อย่างนั้นไม่ชอบก็ดัดแปลงต่างๆ ตรงนี้เราก็เข้าไปเกี่ยวข้องแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราลองมองดูในมุมที่พุทธเจ้าบอกเนี่ยนะครับว่ามันเป็นของเราจริงไมไหมนะครับมันเที่ยงหรือเปล่านะครับหรือมันเป็นทุกข์หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมครับตรงเนี้ยเนาะคำว่าเป็นทุกข์หมายถึงมันทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้เนาะเหมืนเราอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงตั้งแต่แรกเกิดใช่ไหมครับจนถึงนาทีนี้ความเปลี่ยนแปลงก็ยังไม่จบไม่สิน้น นะครับอนยะ่างนั้นวันนั้นนคือตรงนี้นะครับว่ายิ่งวัยของเราในในช่วงวัยนี้เนี่ยพวกกระดูกพวกกล้ามเนื้อเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงเนาะเราจะเห็นความแตกต่างปีที่แล้วกับปีนี้นะครับจะเห็นชัดเจนนะอย่างเมื่อก่อนที่น้องพ้าเคยสังเกตนะครับหลานๆเด็กๆเนี่ยพอเวลาที่เขาเปลี่ยนช่วงเนาะจากช่วงห7ขวบเนี่ย มาเป็นช่วงที่ขึ้น8ดเก้าขวบนะครับเราจะเห็นนิ้วเนาะนิ้วเด็กๆเนี่ยเขาเคยแบบว่าดูเหมือนไม่มีกระดูกเนาะพอขึ้นแบบว่าแปดเก้าขวบเนี่ยข้อนิ้วนะครับมันจะเริ่มสังเกตเห็นเนาะอย่างเงี้ยนะครับกระดูกมันจะโตขึ้นและยิ่งพวกเราเนี่ยนะครับถึงนาทีนี้เนี่ยเราลองเอามือของเราเนี่ยไปเทียบกับพวกเด็กอ่อนๆนะใช่ไครับเราจะเห็นชัดเจนเลยนะว่าอุ้นี่เนาะ กระดูกกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมันเติบโตขึ้นนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงพวกนี้มีนะครับมีให้เราเห็นนะครับแต่ครนี้ว่าเราจะเอาความเปลี่ยนแปลงพวกนี้เนี่ยมาเป็นความรู้นะครับหรือว่าเราจะเอาความเปลี่ยนแปลงพวกนี้มาเป็นสิ่งที่เราชอบเราชังใช่ไหมครับอย่างนั้นนี่นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับ ให้เราลองสังเกตนะครับให้เราลองสังเกตถ้าเกิดว่าเราลองสังเกตนะครับมองย้อนกลับไปเราเกิดชอบอะไรหรือชังอะไรเนี่ยเราจะเหมือนกับมีความรีบร้อนนะแล้วก็ไม่ทันพิจารณาให้ละเอียดถ้าเกิดชอบอะไรก็จะรีบคว้ามาเป็นของเราถ้าเกิดชังอะไรก็รีบทิ้งไปนะครับไม่ทันสังเกตให้ดีนั้นนั่นคือตรงนี้ความชอบความชังนะครับ มันจะทําให้เราขาดนะครับขาดรายละเอียดขาดการพิจารณานั่นนั่นคือนี่คือการที่เราเนี่ยมาฝึกเจริญสติกันก็เพื่อเหตุนี้นะเพื่อให้เราเนี่ยได้เหมือนกับมีสติเนาะลองละความชอบลองละความชังและลองมองดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยใจเป็นธรรมนะครับไม่เอาความชอบไม่เอาความชังเป็นที่ตั้งลองมองมองดู ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเมื่อเรานะครับมองดูเราจะเห็นสิ่งที่ปรากฏนะครับเป็นความเป็นจริงนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมาชาตินะครับที่อยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยที่มีให้เราเห็นตลอดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับตรงนี้จะเห็นด้วยตาเราก็ดีหรือจะเห็นด้วยตาวิเศษเนาะหลวงพ่อก็เขียนบอกว่าตัวความรู้สึกตัวหรือสติเนี่ยเรียกว่าตาวิเศษนะครับ ตรงนี้เราจะเห็นได้ตาธรรมดาหรือตาพิเศษก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่มีให้เราได้เห็นตลอดเวลาแล้วก็การเห็นของเราตรงนี้แหละนะครับก็เรียกว่าเราจะเห็นธรรมชาติแท้ๆของกายของใจได้นี่นะครับก็กิดจากการที่เราเฝ้าสังเกตนี่แหละตรงนี้ดัง น, น, นั้นคือตรงนี้นะครับการที่เราจเจริญสติกัน <c oughs> <c oughs> ก็เพื่อให้เราได้หัดนะครับให้คุ้นเคยกับการใช้ตาพิเศษเนี่ย ในการมองกลับมาดูตัวเรานะครับมีกายมีใจนะครับเราเห็นผ่านกระจกเนี่ยเราเห็นผ่านตาตัวเนี้ยไม่พอนะครับไม่พอเพราะว่านั่นคือมันมีสิ่งที่ตาที่เรามองกันอยู่2อลูกตาเนี่ยเรามองไม่เห็นเนี่ยอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนั่นนั่นคือตรงเนี้ต้องอาศัยตาพิเศษหรือเรียกว่าความรู้สึกเนี่ยนะครับคอยสํารวจ เวลาเราไปหาหมอเนาะใช่ไหมครับเราจะบอกคุณหมอว่าคุณหมอไม่รู้หนูเป็นอะไรไม่รู้พวกผมเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณหมอช่วยเราไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราลําดับความบอกคุณหมอนะคุณหมอครับเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าลําไส้ผมมันปวดวนนะครับลําไส้ผมเนี่ยเออมันอยู่ทางด้านซ้ายมือนะอยู่ข้างล่างข้างล่างหน่อยนะครับมันบิดๆกวนๆยังไงก็ไม่รู้แล้วบิดแล้วมันเจ็บอะไรเงี้ยเกิด เราบอกแบบนี้นะครับคุณหมอก็จะอ๋ออืมพอวิเคราะห์ได้แล้วก็ตรงนี้นะครับที่เราเรียกบ้าตาเราเนี่ยมองไม่เห็นแต่เราจะอาศัยความรู้สึกตัวของเราเนี่ยแนหะคอยสังเกตนะครับอย่างนั้นแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ความรู้สึกนะครับจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรื่องร้ายเนี่ยเป็นเรื่องดีมาตลอดเรา <c oughs> เราอาจจะเหมือนกับว่าเคยเนาะ พวกเราอายุขนาดนี้อาจจะเคยมีฐานกระเด็นมาใส่เราอย่างนี้เนาะใช่ไหมครับมีฐานกระเด็นมาใส่แล้ปุ๊บเนี่ยความรู้สึกตัวเราบอกแล้วว่าอุ้มอันนี้เนาะใช่ไหมครับเราต้อนรับไม่ได้เราก็จะรีบปัดทิ้งใช่ไหมครับอย่างนั้นเนี่ยพอเรารู้สึกนะครับว่าโอ้มีมีความร้อนมาเราปัดทิ้งไปเราก็พ้นอันตรายนะครับหรือบางทีนะครับบางคนเนาะแบบว่ากินน้ําแข็งกินไอติมใช่ไหมครับ แล้วก็บังเ อ, อิญฟันเราเนี่ยก็มีก็เรียกว่ามีรูมีรูที่เราเรียกว่าฟันผุเนาะใช่ไหมครับเวลาที่ไอติมเข้าไปในปากเนี่ยเรารู้สึกเย็นๆตรงนั้นความรู้สึกของเราเนี่ยก็จะบอกบอกเราเนะว่าโอ้เราจะต้องจัดการกับความเย็นในปากแบบไหนเพื่อไม่ให้เรารู้สึกเสียวฟันที่ฟันผุหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมครับหรือทำหนอนในการเรารู้สึกกับของร้อนที่เข้าไปในปากเราก็เหมือนกันอะไรเนี้ย ใช่ไหมครับบางทีมันร้อนไปเนี่ยเราก็ใช่ไหมครับพอรู้สึกปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีปฏิกิริยาต่อเนื่องไปเพื่อให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าทุเราอันตรายที่จะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเราก็รู้สึกนะครับรู้สึกตัวเนี่ยกันมาตลอดเพียงแต่ว่าความรู้สึกตัวนั้นมันเป็นครั้งครั้งนะครับแล้วเราก็ไม่ได้อาศัยเขาให้เป็นระบบระเบียบแต่พระพุทธเจ้านี่แหละครับ ที่บอกว่าเราลองมานะครับ <Step> <everywhere> ดูเขานะอาศัยสมาธินะครับที่เราเรียกว่าสัมมาสมาธิเนี่ยเนาะหรืว่าอาศัยสติที่เราเรียกว่าสัมมาสติเนี่ยคอยสังเกตความเป็นไปของกายของใจเราเนะี่ยสังเกตให้ต่อเนื่องนะครับอย่างนั้นตรงเนี้ยเราจะพบความจริงนะครับความจริงพบความจริงคือพบในพบธรรมชาตินะครับที่อยู่ในกายเราที่อยู่ในใจเรา ตรงนี้นะครับก็คือก็เรียกว่าเราอาจจะได้พบธรรมเห็นธรรมเนาะอย่างนั้นผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวตรงนี้นะครับเพราะว่านั่นคือพวกเราเนาะยิ่งเวลาที่พวกเราปฏิบัติธรรมกันหัดปฏิบัติธรรมในแนวหล่อเทียนเนี่ย <c oughs> สิ่งแรกสุดเลยก็คือใช่ไหมครับเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจมังกยรับรองใช่ไหมครับเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมังกยรับรอง ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวเหนือสติเนี่ยก็จะนะครับดูนะครับกายที่เคลื่อนไหวไปด้วยแล้วก็ดูใจนะครับว่ามาคอยรับรู้ไหมนะครับเมื่อก่อนแล้วอาจจะเคยได้ยินคำว่าเอาใจใส่เนาะเอาใจใส่แต่ว่าคำว่าเอาใจใส่เนี่ยมันจะต่างกันกับการที่เราเจริญสติกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคำว่าเอาใจใส่อาจจะไม่มีก็เรียกวิธีการที่จะมาลองรับ แต่ว่าพอเราบอกว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้เนี่ยตรงนี้มันมีวิธีการเนาะลองรับมันมีการสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาเพื่อให้ใจเนี่ยคอยมาสังเกตตัวนี้นก็เป็นเหมือนโปรแกรมเนาะเหมือนโปรแกรมที่เหมือนกับว่าเราสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาปุ๊บก็มีโปรแกรมว่าโอ้ลองเอาใจมาสังเกตดูซิอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอพวกเรานะครับเริ่มต้นแบบนี้กันเนะี่ยไม่เกิน5นาทีเนี่ยเราจะเห็นได้เลยรู้สึกได้เลยว่า ใจเราเนี่ยมันก็เรียกว่ามันเผลอไปคิดอะไรใช่หมครับการที่เรารู้ว่าใจเผลอไปคิดอะไรเนี่ยเพราะว่านั่นคือเขาไม่ได้มาสังเกตความเคลื่อนไหวของกายแล้วอย่างเงี้ยนี่นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลงพ่อเทียนนะครับได้ให้กรรมฐานที่เราเนี่ยสามารถที่จะสังเกตเห็นใจเราที่ตาเราเห็นไม่ได้นะครับและที่สำคัญก็คือสิ่งที่เห็นเนี่ย นะครับมันมีความสําคัญมากกว่านั้นหลวงพ่อขมเขียนเนี่ยก็อธิบายนะครับตรงนี้นะครับบอกว่าในขณะที่เรากําลังตั้งใจนะครับนะครับตั้งใจอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยสิ่งมีที่ไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือความคิดที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้แหละอย่างเงี้ยความคิดที่เกิดขึ้นมาตรงเนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ให้เราสังเกตเนาะให้เราสังเกตตรงนี้คือคลื่นรบกวน คือคลื่นรบกวนที่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้สึกตัวต่อเนื่องได้ในขณะที่เรากําลังบอกว่าเรากําลังหัดเจริญสตินะครับอย่างนั้นแต่มันมีคลื่นรบกวนการเจริญสติของเราเนี่ยสติของเราใช่ไหมครับอาจจะขาดไปนะครับเนื่องจากว่าการที่จิตใจของเราเนี่ยได้เผลอไปร่วมมือกับความคิดใช่ไหมครับหลวงพ่อนี่เมื่อก่อนนี่เป็นตัวเก่งนะครับ คุยกับเพื่อนนะครับคุยกันคุยกันไปคุยกันมาเอ้านะครับหมดไปทั้งบ่ายแล้วก็ปรากฏว่าก็ถามกันนะครับเอเมื่อกีเราคุยกันตอนต้นนี่ยเราคุยอะไรกันนะครับจําไม่ได้แล้วแต่ว่านั่นคือคุยไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไหลไปนะครับเรื่องนั้นเรื่องนี้สรารพัดสรารเพนะครับเวลาคุยก็สนุกนะแต่ว่าเวลาที่เรากลับมาหาสาระว่าเราคุยอะไรกันไปบ้างเนี่ย ปรากฏว่าบ่ายนั้นทั้งบ่ายเสียเวลาไปกับการพูดคุยเหนื่อยด้วยเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเราไม่เคยสังเกตนะว่าเวลาของชีวิตเราหายไปไหนนะครับบางทีไม่ใช่แค่เวลาของชีวิตเราหายนะแต่ว่านั่นคืออารมณ์เราก็ยังเสียอีกอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างงี้เปกับความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจแบบนี้นะครับบางทีความคิด นะครับเศร้าโศกผ่านมาก็น้ําตาไหลบางคิดบางทีความคิดที่เป็นความเครียดแค้นผ่านมาแล้วก็นะครับกำหมัดเคี้ยวฟันเลงต่าหนาๆนานานเหล่านี้ไปนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยสังเกตครับแต่พอเวลาที่เรานะครับเริ่มกรรมาฐานเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้เนี่ยนะครับเมื่อเรารู้ว่าเออเราเผลอไปคิดนะครับก็ให้เรากลับมากลับมาใหม่ได้ความเผลอไปคิดตรงนี้นะครับคือสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจ แล้วก็ตรงนี้แหละที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยบอกว่านี่คือสิ่งที่ก็เรียกเป็นต้นเหตุของความทุกข์นะบางทีเรานะครับนั่งเสียเวลาไปทั้งวันกับการจมอยู่กับความคิดนะครับที่เราจะเรียกอีกอันหนึ่งก็ได้ว่าจมกับความโกรธนะครับหรือจมกับความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราจะนั่งอยู่เฉยๆนะครับไม่ไม่ทำอะไรนะครับถ้าหากว่านั่งจมอยู่กับความทุกข์ก็อาจจะนั่ง มีน้ำตาร่วงน้ำตาไหลบ้างถ้าอยู่กับจมกับความโกรธก็ใช่ไหมครับจิตใจเราก็ร้อนลุ่มไปมีคําตอบคําถามนะครับที่เครียดแค้นชิงชังนะครับจะพูดยังไงให้มันเจ็บมากกว่านี้จะอะไรยังไงต่างๆนานาเหล่านี้กันทั้งวันนะครับอย่างนั้นเนะี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มั่นใจนะวกเราก็เคยเป็นแบบนี้นะจะเป็นผู้ชายก็ดีจะเป็นผู้หญิงก็ดีใช่ไหมครับถ้าให้ได้ต่อยัก หมัดนึ่งนี้แบบอมันจะดีนะต่อยนี้พอไหมหรือว่าจะเอาไม้ตีหัวหรือว่าอะไรงไงต่างๆนานาคิดไปสารพัดสารเพย์แบบนี้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็เสียเวลาไปกับความคิดโดยที่บางทีความคิดก็ไม่ได้ไม่ได้ทําแต่ถ้าเกิดร้ายกว่านั้นนะครับเราทําตามความคิดไปเนี่ยก็เกิดเรื่องนะ <c oughs> ใช่ไหมครับก็เกิดเรื่องอาจจะต้องถึงผู้ใหญ่อาจจะต้องถึงอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นนนนนนนนนใช่ไหมครับอย่างนั้นะ นั่นนั่นคือตรงนี้นะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เรานะครับมีเครื่องมือนะครับที่จะช่วยนะครับไม่ให้มันเกิดเรื่องที่มันบานปลายไปนะครับก็คือเครื่องมือที่เรียกว่าสติเนี่ยที่จะคอยดูแลกายเราก็ดีใจเราก็ดีตรงนี้เพราะว่านั่นคือตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่หลวงพ่อมั่นใจนะว่าพวกเรานะครับที่มาอยู่ที่ตรงนี้หลายๆมั่นเนี่ยหลวงพ่อว่า ความโกรธก็ดีนะครับความหงุดหงิดก็ดีมันจะไม่เหมือนกับเวลาที่เราอยู่ที่โรงเรียนหรือเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนกับปู่เป็นวันๆ น, นะเราอยู่ที่นี่มาห้าวันเนี่ยนะครับนุบ่มบาว่าไม่มีอที่โกรธจนแบบว่าต้องออกปากลงมือใช่ไหมครับอย่างนั้น <laughs> นุ่ม่าว่าไม่มีถ้าเกิดว่าเราเทียบนะนุ่มบ่าวว่าก็ผิดปกตินะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ย บางทีนะครับอยู่มาวันวันหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะเกิดความโกรธนะครับที่ต้องออกปากลงมือเนี่ยวันหนึ่งอาจจะหลายๆครั้งอย่างเนี้ยแต่นี่คืออะไรน้อพ่อแม่ น, นี่คือสิ่งที่ให้เราได้รู้ว่านี่คือการที่เราคอยรู้สึกตัวนี่แหละรู้บ้างไม่รู้บ้างนี่แหละตรงเนี้ยเมื่อวันก่อนเราดูหนังนะครับอาจารย์กำพลอาจารย์กำพลก็เหมือนกันอาจารย์กำพลบอกว่าทุกเนีครับกับความเป็น อำมาภนะครับกับคําพิการเนี่ยทุกมาตลอดสิบกว่าปีสิบหกปีปรากฏว่าอาจารย์เนี่ยนะครับลองลองที่เราก็เห็นหน้าอาจารย์พลิกมือรู้สึกตัวใช่ไหมครับแค่พลิกมือเท่านี้ยรู้สึกตัวเนี่ยปรากฏว่าเจ็ดวันผ่านไปนะครับอาจารย์เนี่ยมีความรู้สึกว่าอมืมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพี่น้องทุกคนก็รู้นะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่า นั่นคือพี่น้องก็มองเห็นพ่อแม่พี่น้องมองเห็นมากอาจารย์หงุดหงิดน้อยลงนะครับอาจารย์เองก็มองเห็นว่าสําหรับตัวเองแล้วเนี่ยพื้นที่ทุกเนี่ยที่เคยมีทั้งวันเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนหลับนะครับมันหายไปนะนี่คือสิ่งที่นะครับหลวงพ่อว่าเรานะครับวันนี้หลวงพ่อก็ได้คุยกับนักเรียนคนหนึ่งก็บอกว่าอผมก็รู้สึกว่ามีรู้สึกเบาๆสบายๆหลวงพ่อว่านี่ละ่ะ นะครับคือผลนะครับของการปฏิบัติธรรมผลของการที่เรารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างนี่แหละแต่ว่านั่นคือมันเป็นของจริงนะที่รู้ตัวมันก็จินพื้นที่จริงๆนะครับจินพื้นที่จากการที่เราหลงไปนั่นนั่นคือนี่นี่คือสิ่งที่การที่เราคอยรู้สึกตัวนะครับคอยรู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามาช่วยพัฒนาชีวิตของเราชีวิตของเรานะครับที่อาจจะ ไม่รู้จะช่วยตัวเองให้พ้นจากกองทุกข์ขึ้นมาได้ยังไงนะครับไอ้คําว่ากองทุกข์เนี่ยนะครับพวกเราก็เคยคงเคยจมนะจมอยู่กับทุกข์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับหลวงพ่ออายุเท่าพวกเราเนี่ยหลวงพ่อก็ผิดหวังจากความรักเนาะ <c ười> ใช่ไหมครับก็ <c ười> <c ười> แบบเรียกว่าเหมือนดอกไม้เหี่ยวนะใช่ไหมครับอย่างเงี้ยหงอยไปช่วยตัวเองไม่ได้นะครับไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับทําไม่ถูกนะครับอย่างเนี้ย ปรากฏว่าเนี่ยครับก็คือสิ่งที่จิตใจของเราเนี่ยมันไปอยู่กับความเศร้าความโศกเราไม่รู้จะทํำยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยลองนะลองลองกลับมารู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นครับการที่เราอาศัยความเคลื่อนไหวแล้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยตรงนี้หลวงพ่อว่าเป็นสิ่งที่เราจะพบว่าจิตใจของเราเนี่ยมันหลุดออกมาได้ง่ายๆมีพระรูปหนึ่งนะครับมีพระรูปหนึ่งก็มี เขาเรียกว่ามีการ <c oughs> ถกเถียงกันถกเถียงกันกบโยมผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าพุโทโธนะครับหรือว่าหรือว่าวิธีการที่ที่ท่านปฏิบัติมาก่อนนะ่ะดีกว่าวิธีการรู้สึกตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมครับอย่างนั้นรู้รู้สึกตัวแบบอาศัยการเคลื่อนไหวแบบเนี้ยเนาะอย่างนั้นก็ปรากฏว่า คุณผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคุณผู้หญิงปากกล้าเนาะคุณผู้หญิงก็าถามบอกว่าขอถามหน่อยถ้าเกิดท่านเกิดอารมณ์ทางเพศนะพุทโธจะเอาอยู่เหรอใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้พระรูปนั้นก็เหมือนกับท่านก็สะดุ้งนะเพราะท่านเองท่านก็คงจะต้องเหมือนกับเคยนะ จะเป็นการเคยอาศัยการบริกรรมหรือการอะไรต่างๆเพื่ข่มอารมณ์นี้นั่นคือตรงเนี้นะครับว่าพอได้ลองนะครับว่าลองกลับมารู้สึกตัวเนี่ยนะครับสิ่งที่มันมาครอบครองใจเราอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นอาการใดๆก็ตามจะเป็นอาการโศกจะเป็นอาการโกรธจะเป็นอาการใดๆก็ตามอาการอยากนั้นอย่างนี้ตรงเนี้ยนะครับเราลองดูนะครับถ้าเรากลับมารู้สึกตัวนะครับ แล้วเราก็ลองนะครับลองตั้งมั่นของความรู้สึกตัวเนี่ยรู้เป็นครัง้งครั้งรู้เป็นครัง้งครั้งเนี่ยตรงเนี้ยหลวงพ่อมั่นใจนะครับหลวงพ่อมั่นใจบ้างตรงเนี้ยเราจะเห็นผลนะครับเราจะเห็นผลมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมาที่นี่มาที่วัดนะครับน้ําหูน้ําตาเปลอะหน้าไปหมดนะครับ <c oughs> บอกว่าเนี่ยเสียใจสามีไปมีบ้านใหม่นะครับ เจ็ดวันเนี้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับใช่ไหมครับเราก็มองเห็นนะหน้าตาก็บอกได้ว่าก็เจ็ดวันเนี้ยคงหนักอยู่ละอย่างเงี้ยนะก็ดูดูแบบดูสภาพเป็นอย่างนั้นเนาะหลวงพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ต้องเล่าอะไรมากเนาะอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองลองมายกมือตามหลวงพ่อนะทําตามหลวงพ่อก็ทําแบบสอนพวกเราเนี้นะครับ พลิกมือขวาตะแคงขึ้นยกขึ้นอย่างเงี้ยนะครับถึง น, นะครับก็ปรากฏว่าแรกๆนะครับก็ทําไม่ได้บอกว่าตั้งใจมีสมาธิตั้งใจดูหลวงพ่อไหนหลวงพ่อทำยังไงทาอย่างนั้นมือขวาก็ทำด้วยนะทำแค่ไหนทำแค่นั้นทำให้เหมือนเป๊ะเลยอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าเนี่ยครับพอเวลาที่ผ่านไปอีกสองสานาทีถัดไปเนี่ยหลวงพ่อก็เห็นนะครับว่าแววตาของเขาเปลี่ยนไป จากแวลตาที่ซึ่งซึมแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเนี่ยครับกับกลายเป็นแวลตาที่สดใสขึ้นมาแล้วเขาก็พูดว่าเอา้เอาได้ความทุกข์ของเขามันหายไปไหนแล้วอย่างนี้ครับอย่างนั้นตรงนี้นี่คือสิ่งที่เรานะครับมีเครื่องมือที่จะช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยพ้นนะครับมาจากอาการต่างๆที่ครอบงำนะครับความดำก็ดีนะครับความร้อนก็ดี นะครับความอะไรต่างๆนั้นาความใจร้อนความใจดํานะครับความใจร้ายความอะไรต่างๆทั้งหลายๆนี่ที่มาครอบครองจิตใจเราเนี่ยจิตใจเราปกตินะครับก็เป็นปกติดีอยู่แต่สิ่งต่างๆนานาหล่านี้เขาผ่านเข้ามาแล้วผ่านเข้ามาเมื่อไหร่นะครับถ้าเราเกิดนะครับไปยึดเอาเข้าไว้นะครับว่าเป็นของเราเราเป็นคนใจดำเนี่ยเราก็กลายไปเปลี่ยนแปลงไปเลย ใช่ไหมครับเราเป็นคนขี้โมโ ห, โหเราก็เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่ว่านั่นคือพอเวลาที่อารมณ์พวกนี้ผ่านไปใช่ไหมครับอย่างนี้มันเป็นยังไงนะครับเราก็ใช่ไหมครับไอ้ความโมหโมหโความอะไนั้นมันหายไปไหนมันผ่านมาก็ผ่านไปเป็นธรรมชาติอันนึงนะครับไม่ใช่ของเรา <S <S เพียงแต่ว่าเรานะไปยึดเอาไว้ว่าเป็นของเราเราก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไป <S <S นั่นก็คือนี่นี่ก็คือสิ่งที่อยากให้พวกเราเนาะได้เหมือนกับว่า ได้มองเห็นนะครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าในขณะที่เรารู้สึกตัวกันอยู่แบบนี้นะครับศีลนะครับก็มีสมาธิก็มีและปัญญาก็จะตามตามมานะครับการที่เราคอยรู้สึกตัวตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนชีวิตพวกเรานะครับเปลี่ยนชีวิตพวกเราจะทำให้ชีวิตเราพัฒนาขึ้นเราอาจจะพัฒนาชีวิตด้วยการตัดผมใหม่ซื้อเสื้อใหม่ซื้อรองเท้าใหม่ถุงเท้าใหม่อะไรต่างๆนานา ตรงนั้นมันก็แป๊บเดียวนะครับมันก็หมดความหมายไปชีวิตเราก็ไม่ได้พัฒนาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเรามาพัฒนาชีวิตผ่านความรู้สึกตัวเนี่ยจิตใจของเราครับจะไม่จมทุกข์จมโศกจิตใจของเราจะเป็นปกติจิตใจของเราจะเป็นจิตใจที่เบิกบานนะครับอย่างนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นการที่เราพัฒนาชีวิตจริงๆนี่คือสิ่งที่ทางภาษาบาลีเนี่ยก็บอกว่าภาวนา เรามาภาวนากันก็ะเพือ่เพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่ไหมถ้าเราลองนึกดูเนาะว่าอนาคตที่เหลือของเราเนี่ยเราจะอาจจะไปเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นอะไรยังไงก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นหมอเป็นวิศวกรที่ล่ํารวยเนาะแต่มีทุกเนี่ยกลับเป็นหมอเป็นวิศวกรที่ล่ํารวยแต่ไม่มีทุกเนี่ยเราจะเอาแบบไหนนะครับการมีสตินะครับการมีความรู้สึกตัวตรงเนี้ย จะช่วยให้เราเนี่ยทุกน้อยลงนะครับทุกน้อยลงจนกระทั่งเราแบบว่าพ้นทุกได้ในที่สุดนะอาจารย์กำลนะครับได้พูดเอาไว้นะครับก่อนที่อาจารย์กำพลจะไม่มีแรงจะพูดนะอาจารย์บอกบอกว่าคําว่าบรรลุธรรมะเป็นศัพท์นะครับเป็นศัพท์พวกเราคงเคยได้ยินนะคำว่าบรรลุธรรมเราก็อาจจะมีความรู้สึกเอ้คำบรรลุธรรมเนี่ยเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบไหนกันแต่ว่าอาจารย์กำพลบอกว่า คำบรรทุธรรมเนี่ยเป็นศัพท์แต่สิ่งที่เป็นความจริงและสัมผัสได้เนี่ยคือความไม่ทุกข์เพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับว่าการที่เรารู้สึกตัวเป็นกลางๆรู้สึกตัวเป็นกลางๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเรียนหนังสือนะครับ mm hmm. ไม่ทุกข์ไปกับการได้ที่1ได้ที่2นะครับนะครับเราก็จะมีสตินะครับที่จะเรียนที่จะรู้มีสมาธินะครับที่จะฟังคุณครูความรู้เราก็ได้ที่1ที่2ไม่มีความหมายนะครับอย่างนั้น มันมีสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตของพวกเราอยู่กับโลกนะเราก็จะมีโลกกระทำนะครับโลกกระทำเราก็จะมีคำสรรเสริญ น, นะครับคำสรรเสริญนี่จะมาคู่กับคำนินทาไม่มีชีวิตใครที่จะมีในคำสรรเสริญ น, นะครับคำนินทาก็จะมีนะครับพวกเราใช่ไหมครับปรารถนาความสุขนะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความสุขมันต้องมีความทุกข์ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราปรารถนาความไม่ทุกข์เนี่ยตรงนี้ครับ นะครับเราจะมีความสุขที่ยิ่งกว่านะครับอย่างนั้นหรือว่าอีกหน่อยนะครับเราอาจจะมีตําแหน่งแห่งที่นะครับเป็นยศเป็นตําแหน่งอะไที่ใหญ่โตเนี่ยนะครับยศนะครับก็มากับการเสริมยศนะครับอย่างนั้นอาจจะมีการถอดยศของเราอาจจะมีการเลือกกอ่ อ, อยเก้าอี้อะไรต่างๆเหล่านี้ น, นะครับอย่างนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับมีลาบนะครับแล้วอาจจะถูกหวยนะครับ ไม่ถูกหวยก็มีอย่างเงี้ยวัะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับมาลาบก็ดียศก็ดีสุขก็ดีสรนเสริญก็ดีเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ตรงข้ามอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราเตรียมใจไว้ไม่ได้เนี่ยนะครับตรงนั้นเราก็จะทุกข์นั่นนั่นคือตรงเนี้ยธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับเป็นสิ่งที่พระอารย์วัชัยบอกไว้แต่แรกเนาะคุณพระอาจารย์ัฒชัยบอกว่าเนี่ยพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สอนเรื่องอะไรมากมายไปกว่า เรื่องของตัวเรานะครับเรื่องของทุกข์แล้วก็ทํำยังไงเนี่ยถึงจะออกจากความทุกข์เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้นะครับละมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตา ม, ตามคําแนะนําของพระเดจจางตามตามพระธรรมที่พระเจ้าได้พูดเอาไว้เนี่ยนั่นนั่นคือถ้าพวกเราทําตามนะครับความไม่ทุกข์ก็จะเป็นของพวกเราทุกคนนะครับอย่างนั้นก็เดี๋ยวพวกเรากราบพระพร้อมกัน